RMT Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับเข้าสู่ RM t ีทอคค่ะวันนี้ดิฉันอาทิทตยาปกทานังรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะคะวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันเป็นโครงการดีๆที่น่าสนใจสำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีอาการของมะเร็งเต้านมและมีรายได้น้อยไม่เคยรับการรักษาที่ใดมาก่อนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงโครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ8 4 0ษองค์สภานายิกาสภาการชาติไทย ซึ่งทางด้านของศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะได้มีการจัดทําขึ้นและวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากนายแพทย์อาทิศพันธ์จุละกะทพพะศัลยแพทย์ประจําศูนย์ศรษฐกิจบรมราชนีนาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งคุณหมอจะมาพูดถึงโครงการนี้แล้วก็จะมาอธิบายนะคะในขั้นตอนของการคัดเลือกกันอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ครับสวัสดีครับคุณหมอคะจริงๆแล้วทราบมาว่าโครงการนี้เรามีการดําเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าจํานวนของผู้ที่จะมาเข้ารับการรักษานะคะก็ยังมีจํานวนที่ยังไม่ครบในแปสิบสี่คนวันนี้ก็เลยมีโอกาสในการที่จะให้คุณหมอได้มาพูดถึงโครงการกันนะคะจุดเริ่มต้นค่ะคุณหมอในการทําโครงการนี้ตรงมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรอะคะคือจริงๆอย่างที่ทราบนะครับอันนี้เป็นงานที่ทำภายใต้สภากาชาติไทยซึ่งสม่วนใหญ่ พระนางเจ้าเศ ร, รษฐกิจกรมปรชาชินีนาครรัชกาลที่9้าท่านทรงเป็นสภาองค์สภานายิกานะครับก็ตอนเมื่อประมาณสักพกือบรุงสาปีแล้วท่านก็มีพระชนมยายุแปสพรรษานะครับเราก็ที่ว่าจะทําโครงการที่ถวายแก่พระองค์ท่านเนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นห่วงประชากรโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับซึ่งอาจจะบางครั้งเนี่ยเรียกว่าด้อยโอกาสนะครับ<ม>ซึ่งมีทั้งต่างจังหวัดอีกทั้งในกรุงเทพแล้วพอดีที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ย เป็นศูนย์ที่ส่งมีอพระราชโองนิถับสนุนให้ตั้งเพราะว่าจะได้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทางเต้านมโดยเฉพาเกี่ยวกับมะเร็งปีนั้นเราก็ได้คุยกันระหว่างสามฝ่ายนะครับระหว่างของศูนย์สุเกาเองนะครับระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว ก, กับสภาการชาติไทยนะเป็นเป็นคือเป็นโครงโครงงานที่เรียกว่าใหญ่นะครั บ, รบมีมงบประมาณที่ใช้เนี่ยเขา ค่อนข้างสูงเพราะว่าเนื่องจากการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยในแต่ละรายมีมูลค่าการรักษาเนี่ยสูงนะครับถามว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ไหมมีแต่บางครั้งเนี่ยสิทคุณอยู่แต่จังหวัดนะครับหรือว่าสิทธิ์ก็อาจจะอในบางที่เนี่ยก็การรักษาก็ทําได้ค่อนข้างจํากัดเพราะว่าเนื่องโดยโอยุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเราก็ทําตั้งใจว่าทํากับคนที่เรียกว่าด้อยโอกาสแล้วนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือ เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งจะได้รับการประเมินจากทางสังคมสงเคาะห์หรือสวัสดิการสังคมนะครับค่ะก็อย่างที่บอกกันค่ะแล้วกเร้ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยรับการรักษามาก่อนค่ะนะครับหมายถึงว่าคือได้รับการวินิจฉัยจากการทำเอ็กซเรย์อัลตราซาวการทำเจาะชิ้นเนื้อการอะไรเงี้ยตัดมาตรวจแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมแต่ยังไม่เริ่มการรักษา อันนี้จะเข้าเงื่อนไขนะครับก็คือ2ข้อคือผู้หญิงไทยที่มีอยู่ในกลุ่มไรายได้น้อยแล้วก็2ก็คือไม่เคยรักษารรักษา ม, มา่ก่อนระยะเวลไหนก็ได้หมดนะครับตั้งแต่ระยะเหนึ่งสองสามสี่ได้หมดครับค่ะทราบว่าต้องมีเรื่องของการประเมินของสังคมสงเคราะห์ด้วยใช่ไหมคะต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าการประเมินสังคมสงเคราะห์เนี่ยเขาเป็นมืออาชีพนะครับซึ่ ง, งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือแม้แต่สถ า, า, านพยาบาลอื่นๆในประเทศเนี่ยก็มีอ่าสวัสดิการสัง สังคมหรือเรียกว่าสงสงเคราะห์เนี่ยนะครับมีช่วยตลอดนะครับเพื่อจะได้ดูว่าอตรงไหนที่จะช่วยเหลือคนไข้ได้บ้างนะครับอะไรที่สามารถทําให้คนไข้เสียไข้ได้จ่ายได้น้อยเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วนะครับค่ะอย่างที่ทได้บอกก็คือระยะเวลาแหละคุณหมอว่าเราจะรับคนจํานวนเท่าไหร่หรือว่าเรามีระยะเวลาจํากัดไหมคะว่าถึงในวันที่เท่าไหร่อะคะ่ะเราตั้งเป็นจํานวนคนนะครับคือตั้งไว้ว่าเป็นเท่ากับ ก็ชมมายุกองท่านในปีนั้นก็คือ84คนนะครับนันจนถึงยอดปัจจุบันเนี่ยก็รักษาแล้วประมาณ 53-54 รายนะครั บ, รบก็มีรายที่กำลังพิจนารณาอยู่จะเข้าร่วมโครงการอีกประมาณ 2-3 รายอยู่นะครับอันนี้ก็ที่อยากอภิษฎพันธ์นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเนื่องจากโครงการมันก็ผ่านมาระยะหนึ่งแต่ว่าเราตั้งใจจะทาให้ให้ครบจานวนที่ว่าไว้นะครับรายที่เลียงไว้นะครับเนื่องจาก การรักษาคนไข้แต่ละรายเนี่ยมีมูลค่าในการรักษาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ได้กับคนที่มีโอกาสน้อยหรือได้โอกาสจริงๆนะครับก็เลยทําให้ว่ามันมันดูเหมือนกับว่าเออไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมีคนหรือยังไงทีแล้วมีแต่บางคนเขาก็มีสิทธิ์การรักษาแล้วพ็บีเขาไม่สะดวกก็มีครับเราเริ่มจากขั้งแรกเนี่ยเริ่มจากทุกจังหวัดส่งมานะครับก็จะมีส่งมาประมาณจากสามยี่สิกว่าจังหวัดนะครับเพราะบางจังหวัดเขา เขาก็อยากจะส่งแต่คนไข้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางซึ่งว่าที่จริงแล้วเนี่ยในโครงการเนี้ยเราได้คำนึงส่วนนี้ก็มีค่าเดินทางช่วยสนับสนุนด้วยส่วนหนึ่งนะครับ<ฆ>แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเงินที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาคนไข้ตั้งแต่ผ่าตัดอให้ยาเคมีบําบัดนะครับไม่ว่าสูตรจาเป็นอะไรก็ทําได้หมดบางสูตรคนไข้บางรายนะครับ<ฆ>การรักษาเนี่ย เ, เป็นตัวเลข หกหลักนะครับไปดูเลขหกหลักหกหลักลกห็กหกหลักไปลายบางรายก็แตะแตะเจ็ดหลักก็มีนะครับตัวสือจะค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับตัวโรคของคนไข้เค้านะครับการให้ยาต้านฮอร์โมนการตรวจติดตามต่อมาคือผู้ง่ายดูตั้งแต่ต้นจนจนถึงครบห้าปีแล้วก็ติดตามต่อไปนะครับ mm. เพราะพวกนี้เราก็จะต้องดูคนไข้ให้ได้ระยะยาวเพื่อได้มั่นใจว่าคนไข้เนี่ยปลอดภัยครับ สำหรับในเรื่องของการที่เรารับคนไข้50าสกว่าคนนี้ก็คือมีในในหลายหลายระดับหลายระยะของโรคเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วเรามีเกณฑ์เบื้องต้นไหมคะในการที่ในการที่เราจะเลือกว่าในเกณฑ์อาการเจ็บป่วยสักเท่าไหร่ที่เรามองว่าะจะมีการได้รับได้เข้าในโครงการนี้คะ่ะคุณหมอคะอ๋อมีแค่2เงื่อนไขที่เลือกนะครับก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ามีไรายได้น้อย นะครับอันนี้เป็นตัวหลักเลยนะผู้หญิงไทยที่มีรายได้น้อยนะครับและนที่สองก็คือว่าเอายังไม่เคยรับการรักษาแต่ต้องเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอ่านะครับต้องเป็นมะเร็งเต้านมแค่นั้นเอ ง, งครับและจริงๆเงื่อนไ ข, ค, นขค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างกว้างแต่ว่าเราก็ดูลงรายละเอียดแต่ส่วนระยะของตัวโรคเนี่ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาอืก็คือเราก็จะมีขั้นตอนในการรักษาเป็นห้าปีใช่ไหมคะแล้วก็ติดตามอาการโดยเฉลี่ยนะครับห้าปีขึ้นหมดนะฮะ ว่าถ้าโดยเพราะในหลายที่ต้องได้รับยาต้านฮอร์โมนชนิดรับประทานเนี่ยนะครับณนะปัจจุบันก็ยังถือเป็นตัวเลขประมาณห้าปีแต่ก็มีบางรายที่ถือว่ามีความเสี่ยงอของตัวโรคในค่อนข้างสูงเนี่ยแล้วพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทานยาไปถึงประมาณสิปีก็มีครับมีบางรายค่อนข้างกิริยาระดับห่แตห้าายนี้คือขัเรียกว่า ข, ข, ขั้นต่ําแล้วกันนะครับโอขั้นต่ําด้วยในห้าปีนี้นะคะ การดูหรือว่าการสํารวจร่างกายของเราเองว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ค่ะคือมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่ไม่มีอาการอะไรเลยกงส่วนนี้จะเกิดจากการมาตรวจน ะ, ะตรวจด้วยการอาจจะไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้ๆแล้วคุณหมอหรือคุณพยาบาลที่ตรวจเนี่ยมาเงินําได้เป็นก้อนแล้วก็เลยส่งตรวจต่อเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น เอาจ้สาวเต้านมแล้วก็เอ็กซเรย์เต้านมหรือที่ก็เรียกว่าแมมโมแกรมแล้วก็พอเห็นลักษณะที่มันผิดปกติเนี่ยล้วก็คิดถึงมะเร็งเนี่ยเขาอาจจะยืนยันนิดหนึ่งก็โดยการเจอเอาะเซลล์มาดูหรือว่าใช้ตัดชิ้นเล็กๆมาดูนะครับซึ่งถ้าครบคร บ, ครบอันนี้ก็จะเรียกว่าสามารถพูดได้เต็มปากว่าคนนี้เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเพราะเป็นมะเร็งเต้านมมันก็จะเริ่มต้องมาแบ่งแล้วว่าคนนี้จะต้องรักษาอย่างไรก่อนจะ ผ่าตัดก่อนไหมหรือจะให้ยาก่อนแล้วก็หรือให้ให้ยาคือยาเคมีบําบัด น, นะครับแล้วก็เสร็จแล้วตามด้วยผ่าตัดแล้วเสร็จแล้วหลังจากผ่าตัดเสร็จต้กงต้องมีการใายรังสีหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าต้องมียาชนิดกินหรือเปล่านะครับเพราะนั้นแต่ละคนก็อาจจะมีประมาณสี่อย่างนี้นะครับไม่ไม่ครบทุกคนแต่ว่ามากจะดูพวกนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็เป็นยาพิเศษที่เรียกว่ายาฉเฉพาะซึ่งจะพวกนี้จะมีมูลค่า ของยาจะค่อนข้างสูงเพราะเราไม่สามารถทําเองได้ในประเทศนะครับต้องต้องต้องต้องสั่งมาจากต่างประเทศคะนะครับก็พูดง่ายๆว่าต้องสังเกตอาการของตัวเองเบื้องต้นก่อนก็คื อ, อนนการที่ไม่มีอาการะนะครับแต่ที่จริแล้วผมว่าความเสี่ยงอันนึงที่สําคัญก็คืออายุค่ะนะอายุของท่านเนี่ยพอแต่สี่สิบเนี่ยแล้วยังไม่ถึงเจ็ดสิบเนี่ยถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในตัวโรคเนี่ยสูงกว่าวัยอื่ไม่ว่าจะเป็นก่อนสี่สิบหรือว่าหลังเจ็ดสิบ นะครับแล้วสุดท้ายก็คือถ้าท่านมีความผิดปกติอะไรสงสัยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บนะครับซึ่งมันติดต่อกันเป็นเวลานานๆคือเจ็บแบบก่อนจะมีประจำเดือนนี่เป็นเรื่องค่อนข้างปกติของผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าติดต่อกันเป็นเวลานานหรือสงสัยว่าคำได้ก้อนนะครับหรือมีน้ําหรือมีเลือดออกจากบริเวณหัวนมพวกนี้ไม่ต้องรอนะครับไปที่โรงพยาบาลใกล้ๆท่านนะครับถ้าท่านอยู่ใกล้ๆลโรงพยาบาลจุฬา สนใจจะมาที่สุสานฤทธิก์ก็ได้แม้ว่าท่านอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการปฏิภาษาก็ตามเราก็มีบริการให้การตรวจเพื่อให้รับการวินิจฉัยในคนไท้กลุ่มนี้นะครับสุสานฤทธิ์เนี่ยอยู่ที่อาคารว้องวรรณิชนนชั้นสองนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใกล้สุดก็คือเข้าทางถนนอังรีดูนังนะครับแต่ถ้าท่านมารถไฟฟ้าก็ส่งที่สถานีสารแดงหรือสถานีอสีลมนะครับสีลมที่เป็นใต้ดินนะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ถามหาที่ เมื่อเข้าเขตโรงพยาบาลว่าศูนย์เศรกิจบรมบราชินีนาถนะครับเพื่อมะเร็งต้้งลมอยู่ที่ไหนนะครับเราท่านก็ไปติดต่อที่นั่นโดยตรงก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์สองสองห้าหกสี่หกเ็หนึ่งแล้วก็ศูนย์สองสองห้าหกสี่หกเก้าสามนะครับในวันแล้วก็เวลาราชการโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับค่ะ ทิ้ทายนี้ค่ะคุณหมอคะอยากให้หมอได้พูดถึงในเคสตอนนี้อย่างที่ได้บอกกันไปว่าเรามี50กับ54คนแล้วที่มีการเข้าโครงการนี้ผลของโครงการในภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็คนไข้ในเคสนี้ในในเคสที่อาจจะเป็นคนที่รักษาในช่วงแรกๆเป็นยังไงบ้างอะคะคุณหมอคะดีนะครับโดยโดยรคนไข้เนี่ยโอเคเราก็มีคนไข้ที่หนักบ้างแต่ว่าก็จะคละกันไปคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้หนักหนักหรือหนักมากเนี่ย คนไข้กลุ่มนี้ก็ดีครับหลายรายเนี่ยอย่างห้าสิกว่ารายเนี่ยประมาณสามสิบกว่ารายเนี่ยจบการรักษาขั้นต้นหมดแล้วก็คือทั้งผ่าตัดให้ยาเคมีมบําบัดนะฮะฉายรังสีอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังรับประทานยาอยู่ในช่วงที่ ท, ที่ที่เรียนว่าภายในห้าปีแรกนะครับนั้นส่วนใหญ่เนี่ยผ่านการรักษาเกือบหมดแล้วครับก็คือเหลือที่ยังยังเรียกว่าต้องการรักษาค่อนข้างเยอะอยู่ก็ประมาณไม่ถึงสิบรายนะครับ ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษาแล้วก็ยังเหลืออีกเกืบเเอบสามสิบรายใช่ไหมคะตามเขาต่อถูกต้องครับค่ะก็ยังเหลือรายที่กับสามสิบรายที่ยังคงมีการต้อนรับรับสมัครกันอยู่<ช>นะตอนนี้จริงๆอยากอยา ก, อยากมุ่งคนที่อาจจะมาทํางานจากต่งางจาังหวัดนะครับบางค น, นมิลําเนาอยู่ต่งางจังหวัดมากมาทํางานที่เราใช้ภาษาว่าเรียกหาเช้ากินค่าพวกนี้นะฮะสิทธ์อาจุเหลือต่างจังหวัดถ้าจะต้องกลับไปก็คือต้องทิ้งงานที่กรุงเทพนะฮะไปที่นู่นเพื่อกำลังรักษาเสร็จแล้วกลับมาใหม่ นะครับก็คือมันมันก็มันก็ได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าพวกเนี้บางทีเป็นพวกที่เราต้องอยอมรับว่าค่าใช้จ่ายสูงนั้นอาจจะมีไรายได้บ้างแต่ว่าเมื่อหักครบทบกันลบกันแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีอยู่เลยเรียกว่าเป็นมีไรายได้น้อยนะครับพวกเนี้ยถ้าประสบปัญหามีปัญหาเรื่องพวกนี้ผมอยากให้อา่าเข้ามาตรวจถ้าถ้าคิดว่าตรวจแล้วเป็นเนี่ยคิดว่าตัวเองอาจจะพอเข้าเงืินไขเพราะเราดูแล้วเนี่ยไรายได้ เราน้าคือผมว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยสามารถประเมินได้ตัวเองอยู่ใกลุ่มมีรายได้น้อยหรือเปล่านะครับตัวเลขมันไม่ได้เป๊ะๆครับเพราะว่าเขาจะต้องดูว่ามันมีเรามีหนี่สินไหมมีค like <others> ่าใช้จ่ายอะไรอย่อื่นร่วมด้วยเพื่อจะเพื่อจะประเมินว่ามีรายได้น้อยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเดือนอย่างเดียวมีเงินเดือนพอสมควรแต่ว่าพอดูแล้วลักษะการรักษาจะต้องใช้เงินค่อนข้างมากอย่างเงี้ยครับเขาก็ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยครับค่ะหรือว่าบางทีอาจจะมีระยะขอการที่ต้องใช้ยาที่มีราคาสูง แล้วก็กำลังทรัพย์ไม่พออันนั้นตรงเป้ามากครับค่ะก็สามารถติดต่อได้อย่างที่ได้บอกกันไปนะคะก็คือศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาตึกว่องวานิชชั้นสองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะศูนย์สองสองห้าหกสี่หกเจ็ดหนึ่งหรือศูนย์สองสองห้าหกสี่หกเก้าสามในวันและก็เวลาราชการนะคะคุณหมอคะถูกต้องครับ วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์อธิสพันธ์จุลากาทัพระศัลยแพทย์ประจำศูนย์เศรฐกิจบรมราชินีนาโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยที่ให้เกียรติในการมาพูดคุยแล้วก็แนะนําโครงการประิฐศีพัสสะมะเร็งเต้านมค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณหมอคะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดี ค, ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ยังมีการรับ นะคะคนเข้าสู่โครงการนี้นะคะอยู่ที่เกือบ30คนเลยด้วยกันนะคะเป็นโครงการดีๆที่ช่วยใ น, ในเรื่องของการรักษาร่างกายสําหรับใครที่ไม่มีกําลังทรัพย์ในการที่จะรักษาโรคมะเร็งเต้านมนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเรื่องของการจ่ายเงินการใช้จ่ายของคุณนั้นมีมากแล้วก็บางทีนะเราไม่รู้ว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่บางครั้งคุณอาจจะลองเดินไปตรวจสุขภาพกันก่อ น, อนในโรงพยาบาลใกล้บ้านของคุณหรือว่าถ้าใครว่างนะคะ สามารถเข้าไปได้ที่ศูนย์ศริกิจบรมราชินีนาฏโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะและนี่คือเรื่องราวในวันนี้กับ RMT Talk นะคะติดตามรับฟังรายการต่อกับรายการจากราชมงคลค่ะ